งานโยมาจากที่ไหนบ้างเนมาจากศรีราชาค่ะศรีราชานะเคยมาหรือเปล่าเคยมาสามครั้งแล้วค่ะคราเพื่อนครูมาวันนี้มาที่โรงเรียนสัตหีบสัตหีบวิทยาคมนะคราวครูค่ะอ๋อครูทำงานที่ที่โรงเรียนโรงเรียนสุราษฎร์วิทยาคมอ๋อนำมาทํากิจกรรมที่นี่อครูมาทํากิจกรรมวที่โรงเรียนสัตหีบค่ะอ๋อ ทำไมต้องมาทำที่นี่ละคบเราลึกถึงพระคุณของครูนะครอาจารย์เคยเรียนที่นี่ไหมไม่เคยค่ะแต่ว่าเขตสามะเขตการศึกษานะฮะเขาให้โรงเรียนในเขตอเภอศรีราชาอเภอบางละมุงอเภอสัตยาเอารวมกันที่โรงเรียนสัตยาเลยะอ๋อทำพิธีร่วมกันกันอืมก็มีเยอะใช่ไหครูยอะอืมครูเกี่โรงเรียนอ่ะที่มา เป็นโรงเรียนระดับมัธยมเป็นของรัฐบาลเขาเรียกเขตอะไรนะเขตที่สิบสามนะเขตสิเขตสามค่ะเขตสามสุรีเขตสามแล้วก็เขตสิบแปดด้วยนะเขตสามก็รวมศรีชาบังนามงสรีหิดสามอำเภอเกาะศรีช้งด้วยนะกาะศรีช้ด้วย วันนี้ไม uh, ่มีเด็กนักเรียนใช่ไหมวันนี้ไม่มีเด็กนักเรียนให้เป็นกิจกรรมของครูนะคะแล้วทำอะไรในวันครูก็มีมีมีการทำบุทบุญถักบาแล้วก็มีการรัู้ถึงูบารใด้วยนะกิดนที่บ้านแก็มีการมอบกิจวัตรให้ครููดีในดวงใจอะไรอย่างี้อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูนี่มีความสำคัญมากพวกเราทุกคนมีครูกันอยงนั้นครูคนแรกของพวกเราก็คือพ่อแม่อรีรกวิพาจาร์บลญญาพาจาร์พ่อแม่คนแรกของพวกเราก็คือบิดามารดาที่สั่งสอนให้เราพูดให้เราทำอะไร แ้วพอเราโตขึ้นเมื่อพ่อแม่ไม่มีความสามารถที่จะสอนวิชาความรู้ได้ก็ส่งไปตามโรงเรียนแล้วถ้าตามโรงเรียนเรียนจบแล้วยังไม่พอก็ต้องมาวัดต่อเพราะวันนี้เป็นเป็นความรู้ขั้นสุดท้ายเอาความรู้ทางโลกเป็นความรู้ช่ววหัวเอาตัวไม่รอด อไม่รอดพ้นจากความทุกข์ความรู้ต่างๆวิชาต่างๆเป็นความรู้ที่จะเราใช้ในการประกอบสัมมาชีพแต่ไม่สามารถมาบำบัดทุกบำรุงสุขของใจเราได้ต้องเป็นความรู้ทางธรรมอันนี้ก็เป็นอีกแนนงหนึง่งเป็นความรู้อีกแนนงหนึง่งเป็นอีกาศาสตร์หนึง่ง เหมือนกับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมศาสตร์อันนี้ก็พุทธศาสตร์พุทธศาสตร์ก็เป็นความรู้ที่เกี่ยวกับเหตุของทุกข์และเหตุของการดับทุกข์ที่ไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้าทุเป็นคู่สองคนค้นพบความรู้นี้มีอยู่ตลอดเวลาอริยา ศ, าศาสตร์นี่มีอยู่ตลอดเวลา เป็นธรรมชาติหึงความรู้ทางทางคณิตศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่แต่คนจะมาเอามาเอามาใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ไมนีต้องต้องศึกษาค้นคว้าเอาทางพุทธศาสตร์เราก็มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ส่งค้นคว้าพบกฎแห่งกรรม กฎแห่งกรรมก็คือพระอริยศัสตร์องนี้คือกฎแห่งกรรมคือเหตุและผลกรรมเป็นเหตุกรรมแล้ ว, ว่าการกระทาแล้วก็ผลก็คือวิบากก็จะเกิดขช้นเหตุที่ทำให้เราสุขหรือทุกข์กันนี้อยู่ในใจเราท่านเรียกว่าตัณหาความอยากต่างๆ หรือกิเลตัณหาคือความโลภตัณหาคือความอยากอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นอันนี้ถ้าเกิดตัณหาขึ้นมาภายในใจเมื่อไรใจก็จะเกิดความไม่สบายขึ้นมาและเหตุที่จะทำให้ตัณหาดับ ทุกความทุกความไม่สบายใจดับก็คือมรคมรค ก, ก็คือเครื่องมือที่เราใช้ในการดับความไม่สบายใจดับความทุกข์ใจเครื่องมือที่สำคัญที่สุดก็คือสติปัญญาสติปัญญานี้จะสามารถหยุดความอยากที่เป็นตัวสร้างความไม่สบายใจให้กับเราได้ อันนี้เป็นความรู้ที่ไม่มีใครรู้มาก่อน ท, ทั้งที่มีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนใจของพวกเรานี้มีความอยากกันทุกคนแล้วก็มีความทุกข์ที่เกิดจากความอยากกันทุกคนแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจเวลาเราทุกข์ใจเรามักจะไปโทษคนอื่นสิ่งอื่น โทษคนนั้นโทษคนนี้ว่าเขาทําไม่ถูกเขาทําไม่ดีเขาเลยทําให้เราทุกข์ใจแต่ถ้าศึกษาลงไปลึกๆแล้วเราจะเห็นว่าเราต่างหากที่ไปไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วพอเขาไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็ไปโทษเขาว่าเขามาทําให้เราทุกข์ใจแต่ความจริงมันเกิดจากความอยากของเรา ความอยากที่ให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วพอเขาไม่เป็นเราก็เลยทุกข์ใจถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็จะไม่ทุกข์ใจเช่นคนที่เราไม่รู้จักเราไม่ค่อยมีความอยากกับเขาใช่ไหมคนที่เราไม่รู้จักนี่เขาจะเป็นอะไรก็จะทำอะไรนีเราก็ไม่ทุกข์กับเขาเพราะเราไม่มีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนี้ แต่คนที่ใกล้ตัวเรานี้มักจะทําให้เราทุกข์กันเพราะเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกของเราสามีภรรยาของเราบิดามารดาญาสนิทมิตรสหายคนเหล่านี้เขาอยู่ใกล้ตัวเราการกระทําของเขานี้มีผลกระทบกับเราเราจึงไปมีความหยากให้เขาทําอะไรที่จะไม่มีผลกระทบ แต่บางทีเราก็ห้ามเขาไม่ได้เขาก็ห้ามตัวเขาไม่ได้เขามีความอยากในตัวเขาที่บังคับให้เขาทำตัวเขาให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาทำตัวเขาไม่ไม่ดีเขาก็มากับมามาสร้างความเสียหายให้กับเราเราก็ไม่อยากให้เขาทำเราก็เลยไม่สบายใจ แต่ถ้าเราทำใจว่าเราห้ามเขาไม่ได้เราสั่งเขาไม่ได้<ม>เขาจะทำอะไรก็เราก็ต้องทำใจถ้าเราไม่ต้องการรับความเสียหายเราก็ถอยไปอยู่ห่างๆกันอย่าอยู่ใกล้กันเหมนคนที่เราไม่รู้จักเขาไม่อยู่ใกล้ตัวเราเขาทำอะไรมันก็ไม่มาสะเทือนเรา เพ้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่เขาอยู่ที่เราอยู่ที่ความอยากถ้าเราทําใจได้เขาจะทํางานกันเลยของเขาเสียหายบ้างก็เสียหายไปออยู่กันไปอถ้าเราทําใจได้เราก็จะไม่ทุกข์กับเขาเราก็จะไม่ไปโทษเขาเราจะเห็นว่าความไม่สบายใจหรือความสบายใจอยู่ที่ความอยากหรืไม่อยากของเราเนี่ พอเราไม่มีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นยังไงเราก็ไม่เดือดร้อนนะนี่คือความรู้ที่พวกเราไม่รู้กันทั้งๆ ท, ที่มีอยู่ในตัวเราความทุกข์ใจไม่สบายใจนี้มันอยู่ในใจของเราแล้วเหตุที่ทําให้เราไม่สบายใจคือความอยากต่างๆก็อยู่ในใจของเรา แล้วก็เหตุที่ทําให้ความไม่สบายใจหายไปก็อยู่ในใจของเราแต่เราไม่มีกันเราไม่มีสติไม่มีปัญญาเราเลยมองไม่เห็นว่าความไม่สบายใจของเรานี้เกิดจากความอยากของเราเองเราก็เลยไปแก้ที่เราคิดว่าเป็นเหตุให้เราไม่สบายใจ คือไปแก้ที่บุคคลนั้นบุคคลนี้ไปแก้ที่สิ่งนั้นสิ่งนี้แก้เท่าไหร่มันก็แก้ไม่ได้หรือถ้าแก้ได้เดี๋ยวมันก็มีมีอันใหม่มาแทนที่แก้คนนี้เดี๋ยวก็มีคนใหม่มาแทนที่มีเรื่องใหม่มาแทนที่แก้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันจบถ้าเราไม่มาแก้ที่ความอยากของเรา เราหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจได้แล้วยินดีตามมีตามเกิดอมีอะไรเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นมาเกี่ยวข้องอะไรกับเราก็รับรู้ไปอเฉยๆไปใจของเราก็จะไม่เดือดร้อนแต่เราต้องพร้อมที่จะเสียเพราะว่าความทุกข์ใจของเรา ความอยากของเราเกิดจากการที่เราไม่อยากจะเสียเสียสิ่งที่เราชอบไปเสียความรู้สึกต่างๆที่เราชอบไปเราต้องยอมเสียทุกอย่างถ้าเรายอมเสียทุกอย่างแล้วเราก็จะหยุดความอยากได้แต่ถ้าเราไม่ยอมเสียนี้เราก็จะอยากให้สิ่งที่เราอยากนี้อยู่กับเราเป็นของเราไปเรื่อยๆ แต่ในที่สุดเราก็ต้องเสียอยู่ดีในบ้านปลายของชีวิตเวลาที่เราตายไปเราก็เสียทุกอย่างทุกอย่างที่เรามีอยู่ในขณะ น, นี้เราก็จะเสียไปหมดเวลาเราร่างกายนี้ตายไปนี้ใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็แยกทางกันใจก็ไปต่อร่างกายก็ไปวัด ทรัพสมบัติข้าวของเงินทองสิ่งของต่างๆก็แบ่งคนให้คนอื่นไปใครมีสิทธมารับก็รับไปอันนี้ถ้าเรามองอย่างนี้เราก็จะปล่อยได้เราก็จะวางได้เราก็จะทำใจได้แต่ถ้าเราไม่ได้มองถึงมันปลายของชีวิตเราเราก็จะยึดติดกับสิ่งต่างๆที่ ให้ความสุขกับเราแล้วเราก็จะไม่อยากให้มันเสียไปเวลามีอะไรมาทำให้เราต้องเสียสิ่งที่เราให้ความสุขกับเราเราก็จะอยากให้ไม่ให้เขาจากเราไปหรือเวลาอะไรมาทำให้ความสุขของเราหายไปเราก็จะอยากให้สิ่งนั้นไม่มา มาทำให้ความสุขที่เรามีอยู่หายไปเราก็เลยไม่สบายใจทุกใจกับบุคคลต่างๆกับเหตุการณ์ต่างๆแต่ถ้าเราดูว่าความสุขต่างๆที่เราได้รับจากบุคคลต่างๆจากเหตุการณ์ต่างๆจากสิ่งต่างๆนี้มันเป็นความสุขประเดียวประเดา แล้วก็เป็นความสุขที่ไม่ไม่ดีเพราะเป็นความสุขที่ทำให้เราต้องทุกกัน เ, เวลาที่มันเสื่อมไปเวลามันหมดไปถ้าเรารู้ว่าเราสามารถหาความสุขที่ดีกว่านี้ได้ เราไม่ต้องเพิ่มความสุขต่างๆที่เราเพิ่งกันอยู่ในขณะนี้ได้เราก็จะยินดีที่จะเสียพระพุทธเจ้าสองคนพบว่ายังมีความสุขอีกแบบหนึ่งที่พวกเราไม่รู้จักกันก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบของใจความสุขที่เกิดจากการหยุดความอยากต่างๆ เราไม่เคยอยู่ความอยากเลยเรามีแต่ทำตามความอยากมาตลอดความอยากมันจึงไม่หมดไปการทำตามความอยากนี้เป็นการเสริมความอยากใหม่ให้เกิดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆแต่การฝืนการไม่ทำตามความอยากนี้จะทำให้ความอยากค่อยๆหมดไปอันนี้ถ้าเราไม่ได้มาพบกับ พระพุทธศาสนาไม่ได้มาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่รู้ต้นเหตุของปัญหาที่แท้จริงและวิธีแก้ปัญหาที่แท้จริงนี้แก้อย่างไรอนนี้เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ส่งสอนว่าต้นเหตุของปัญหาของพวกเราก็คือความอยากของพวกเราแล้วเราก็ต้องมาหยุดมันอย่าไปทาตามความอยาก การที่เราจะหยุดมันได้เราก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือก็คือสติปัญญานี่การจะมีสติปัญญาได้ก็ต้องมีศีลเป็นผู้สนับสนุนมีเวลามาสร้างสติมาสร้างปัญญากันตอนนี้เราไม่มีเวลากันเพราะเราต้องเอาเวลาของเราไปหาความสุขต่างๆ เราไปทํางานก็เพื่อหาเงินหาทองเพื่อจะได้มาเลี้ยงดูความสุขทางร่างกายเลี้ยงร่างกายให้มีความสุขแล้วก็เอาร่างกายนี้ไปหาความสุขอีกทอดหนึ่งเวลาเราไปเที่ยวกันนี่เราก็ต้องมีร่างกายเราก็ต้องมีเงินทองค่าใช้จ่ายต่างๆก็เลยทําให้เราไม่มีเวลาที่จะมาอ่า จเจริญศีลสมาธิปัญญากันจเจริญสติจเจริญปัญญากันพอเราเอาเวลาคอเราทั้งหมดนี้ไปให้กับการหาค่าใช้ใจ่ายหาเงินหาตองเพื่อเอามาใช้ใจ่ายในการหาความสุขต่างๆที่เป็นความสุขประเดียวประเดาที่ได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปเช่นเราไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เวลาเราเที่ยวเราก็สนุกกันพอเรากลับมาบ้านความสนุกความสนุกเหล่านั้นก็หายไปหมดเหลือแต่ความทรงจำที่จะมาเขยา่ามายุให้เกิดความอยากใหม่อยากไปเที่ยวใหม่นี่ปีใหม่เที่ยวแล้วเดี๋ยวก็รอตุรจีเดี๋ยวตุรจีก็ไปเที่ยวอกีกเดี๋ยวหมดจากตุรจีก็ไปสงการ มันก็มีช่วงๆที่เรามีเวลาว่างเวลาของเราเลยไม่มีที่จะมาใช้ในการสร้างเครื่องมือที่จะมาหยุดมาทำลายความอยากกันมีแต่เอาเวลาไปเสริมความอยากกันด้วยการทำตามความอยากแล้วพอเราไม่สามารถทำตามความอยากได้เราก็เลยทุกข์กันเช่นอยากจะไปเที่ยว นั่งกายไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้เราก็จะทุกข์แทนที่จะมีความสุขหรือเงินทองไม่พอใช้ก็ไปเที่ยวไม่ได้หรือว่าเจอเหตุการณ์หรือเจอคนมาขัดขวางการหาความสุขของเราเราก็ไม่สบายใจก็เราอยากหาความสุข ทางตาหูจมูกเล่นกายทางร่างกายของเราพอมีใครมาเป็นอุปสรรคเราก็จะโกรธเขาเกลียดเขาไม่พอใจแล้วพยายามที่จะกำจัดเขาเพื่อเราจะได้หาความสุขของเราต่อไปได้อันนี้ก็เลยไปทำให้เกิดสร้างปัญหากันใหม่ขึ้นมาอีกเยอะเมื่อเราไป พยายามที่จะไปกำจัดเขาเขาก็จะโกรธเราเกลียดเราก็จะเกิดการโกรธเกลียดการทะเลาะวิวาทการจองเวรจองกรรมกันนี่เป็นเพราะว่าเราไม่รู้ต้นเหตุของปัญหาแท้จริงของพวกเราอยู่ที่ความอยากถ้าเราหยุดความอยากได้เราจะไม่มีปัญหากับใครเลย พอใจเราจะไม่เดือดร้อนกับพฤติกรรมของใครเราจะไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆจะไม่เดือดร้อนกับความไม่สมประกอบของร่างกายเช่นความเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะถ้าเราไม่มีความอยากเราไม่ต้องใช้ร่างกายพาเราไปทําตามความอยากต่างๆเราอยู่เฉยๆก็มีความสุขได้ เวลาไม่มีความอยากนี้ใจจะสงบแล้วเราจะพบกับความสุกรูปแบบหนึ่งความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราค้ากันอยู่ในขณะนี้เพราะเป็นความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องใช้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราอันนี้คือสิ่งที่พวกเรา ไม่มีโอกาสได้สัมผัสกันคือความสงบเพราะเราไม่มีเวลาที่จะมาทำใจให้สงบ ก, กันเรามีแต่เอาเวลานี้ไปทำใจให้วุ่นกันด้วยการทามาหากินเลื้องปากเนื้องท้องแล้วก็ไปมีปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆที่จะต้องคอยคอยแก้กันอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเรา ไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาศึกษาพุทธศาสตร์ถ้าเรามาศึกษาพุทธศาสตรน์นี้อย่างวันนี้ก็ได้บอกเลยว่าปัญหาของพวกเราความไม่สบายใจต่างๆความทุกข์ใจความเดือดเนื้อร้อนใจความวิตกกังวลต่างๆนี้เกิดจากความอยากของเหล่านี้เท <c oughs> ่านั้นอยากสารประกาศอยากในรูปเสียงกล่่นรด อยากมีอยากเป็นช่นอยากได้อยากเป็นอาจารย์ใหญ่อยากจะเป็นหัวหน้าภาคอยากจะเป็นศาสาราจารย์อยากจะเป็นอะไรสุดก็สุดแท้แต่ในเราอยากมีอยากเป็นแล้วก็ความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็มีอะไรก็ไม่อยากจะเสียมันมีอะไรก็อยากจะให้มันอยู่กับเราไปเรื่อยๆแต่ทุกอย่างมันก็มีวันสิ้นสุด เป็นอาจารย์เดี๋ยวอายุหกสิบเขาก็ให้กเกษียณนะเกษียณอายุตำแหน่งต่างๆที่ได้ก็หมดไปเงินเดือนที่ได้ก็หมดไปได้ก็แค่บำเหน็จบำนานคนเราเวลากเกษียณจึงไม่กยแฮปปี้กันว่ามีความอยาก แต่ถ้าเราอยากจะออกจากงานนี้เราจะดีใจได้ออกจากงานไม่ต้องทำงานแลไม่ต้องมาเหน็ดมาเหนื่อยถ้าคนที่พบกับความสงบแล้วนี้จะไม่อยากทำงานเลยจะไม่อยากจะมีตำแหน่งอะไรอยากจะลาออกแล้วไปอยู่คนเดียวไปทำใจให้สงบเพราะความสุขที่ได้จากความสงบนี่มันดีกว่าความสุขทั้งปวง วมันไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอะไรพึ่งเพียงแต่สติปัญญาเท่านั้นและเวลามีเวลามาทําจิตให้สงบกันด้วยสติด้วยปัญญาถ้าใครได้มีโอกาสได้สัมผัสกับความสงบแม้แต่เพียงครั้งเดียวนี้จะติดอกติดใจแล้วจะเริ่มเปลี่ยนทิศทางของการหาความสง คือจะเปลี่ยนแบบทันทีทันใดนี้ก็อาจจะยากเพราะเรายังอาจจะกำลังไม่พอหรือยังมีภาระผูกพันกับบุคคลต่างๆสิ่งต่างๆอยู่ก็อาจจะทำค่อยค่อยทำไปวันหยุดแทนที่จะไปเที่ยวก็ไปวัดแทนไปหาความสุขจากการทำใจให้สงบแล้วพอทำได้ชำนาญขึ้นทำได้มากขึ้นก็จะ ตัสิ่งต่างๆความสุขทางอื่นได้เพิ่มมากขึ้นไปแล้วอาจจะสามารถ e อ r l y r ี t ท r e ได้ไม่ต้องรอให้เขาเกษียณเราเรากเกษียณตัวเราก่อนอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราควรที่จะมาศึกษาและควรที่จะมา แสวงหากันคือความสงบใจจะสงบได้ต้องหยุดความอยากให้ได้เพราะความอยากนี้จะทำให้ใจเราดินน้รนรนกวลกวายกระสับกระส่ายถ้าเราหยุดความอยากได้แมเ้เพียงชั่วคราวเราก็จะได้ความสุขที่มหัศจรรย์ใจแราจะทำให้เราจะพยายามหยุดความอยากให้มากขึ้นไป เรื่อยๆความอยากเรามีหลายรูปแบบหลายชนิดหลายตัวการที่เราหยุดเพียงครั้งเดียวนี้มันไม่ได้หยุดหมดทุกตัวตัวที่เราหยุดมันก็ไม่ตายหยุดได้ชั่วคราวถ้าเราหยุดด้วยการฝึกนั่งสมาธิด้วยการเจริญสติเช่นบริกรรมพุทโธพุทโธถ้าเราสามารถบริกรรมพุทโธได้อย่างต่อเนื่องเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึง เหตุการณ์ต่างๆบุคคลต่างๆสิ่งต่างๆได้พอไม่ได้คิดถึงเหตุการณ์บุคคลสิ่งต่างๆเราก็ไม่ได้มีความอยากความอยากจะเกิดเวลาที่เราคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้พอคิดแล้วเดี๋ยวก็อดอยากไม่ได้อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอดอยากจะได้สิ่งนั้นอยากจะมีสิ่งนี้ขึ้นมา งั้นถ้าเราสามารถจเจริญสติด้วยคําบริกรรมพุโทโธหยุดความคิดต่างๆได้เราก็จะหยุดความอยากได้ชั่วคราวแต่ยังไม่หยุดแบบท้าวรความอยากพอไม่มีความคิดมันก็ไม่มีเครื่องมือมันก็อยากไม่ได้แต่มันยังไม่ตายเวลาไหนที่เราเผลอปล่อยให้ความคิดคิดไปเดี๋ยวมันก็เกิดความอยากขึ้นมาได้ แต่เบื้องต้นนี้เราเอาแค่ให้มันหยุดชั่วคราวก่อนเพื่อให้เราได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากการหยุดทำงานของความอยากเราเราจะเห็นว่ามันมีความสุขมากแล้วมันจะทำให้เราอยากจะหยุดความอยากอย่างท้าวรความอยากนี้สามารถหยุดมันได้อย่างถ้าวรถ้าเราไปาไปหยุดเหตุที่ทำให้เกิดความอยาก เหตที่ทำให้เกิดความอยากก็คือความหลงด้วยความไม่รู้นั่นเองไม่รู้ว่าความอยากนี้มันพาให้เราไปหาความทุกข์กันไม่ใช่ไปหาความสุขกันความสุขที่ได้เป็นความสุขที่มันบังความทุกข์เอาไว้เวลาเราอยากได้อะไรพอเราไปหามาได้เราก็จะรักจะหวงแล้วก็จะห่วงความหวงก็เป็นทุกข์ล้ะความหวงก็เป็นทุกข์ขึ้นมาแล้ว แล้วเวลาสูญเสียไปก็ทุกข์ึ้นมาอีกแล้วก็ต้องเสียสักวันหนึ่งพ็เราจะก็จะต้องจากลจากร่างกายนี้ไปจากทุกสิ่งทุกอย่างเรามีอยู่ไปอันนี้เราต้องใช้ปัญญาใช้ความจริงมาสอนใจว่าความสุขต่างๆที่เราแสวงหากันจากสิ่งต่างๆนี้เป็นความสุขชั่วคราว และเป็นความสุขที่จะให้ความทุกข์กับเราเวลาที่เราต้องสูญเสียพัดภาคจากสิ่งที่เรารักไปนี่คือการใช้ปัญญาถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างที่เราที่คิดว่าจะให้ความสุ ข, ขกับเรานี้มีความทุกข์ก่าด้วยเราก็ไม่เอาดีกว่าเหมือนกับเราคิดว่าเป็นของฟรีแต่พอรู้ว่าต้องจ่ายเงิ น, นงไม่เอาดีกว่าใช่หไหมเราคิดว่า เราทำนุ่มทำนี่แล้วเราจะได้ความสุขไม่มีค่าใช้ใจ่ายมีมีความทุกข์ตามมามีเพราะว่าเราต้องนักต้องหวงต้องห่วงต้องวิตกกังวลแล้วก็ต้องเสียใจเศร้าโศกเสียใจเวลาที่สูญเสียสิ่งที่เรารักเราชอบไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็เป็นของชั่วคราวทั้งนั้นเราไม่ไปก่อนเขาก็ไปก่อน ให้เราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะสามารถหยุดความอยากได้อย่างถาวรแล้วเราก็จะมาหาความสุขที่เป็นความสุขที่ถาวรคือความสุขที่เกิดจากความสงบเพราะความสุขนี้อยู่ที่ใจใจเป็นของถาวรใจเป็นของไม่ตายเหมือนกับร่างกายไม่เหมือนกับสิ่งต่างๆใจนี้อยู่ไปตลอดแล้วความสุข ด้วยความสงบของใจถ้าเรารู้จักสร้างมันขึ้นมารักษามันไว้มันก็จะอยู่ไปตลอดสร้างด้วยสติแล้วรักษาด้วยปัญญาใช้สติหยุดความคิดความอยากก็เกิดความสุขนี้ขึ้นมาพอ เ, เกิดความสุขนี้แล้วก็รักษามันด้วยการทำลายความอยากเวลาเกิดความอยาก ดูอยากฟังอยากเดิมอยากว่าประทานอะไรที่ไม่มีความจําเป็นจะต้องดิม่มจะต้องรับประทานก็ mond, อยากไปเดื่มเหมือนอยากไปรับประทานอยากไปดูอยากไปฟังอยู่เฉยๆดีกว่าเพราะดูแล้วมันก็ติดดิมแล้วมันก็ติดแล้วก็ต้องดูอยู่เรื่อยๆดิมอยู่เรื่อย Scottish ๆเวลาไม่ได้ดืม่มไม่ได้ดูมันก็จะทุกขึ้นมาอีกถ้าอยากเราเราไม่ทําตามความอยากเราไปความอยากนั้นก็จะหมด กำลังไปเราจะไม่มีอะไรมากวนใจเราใจเราก็จะสงบไปตลอดมีความสุขไปตลอดโดยที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีตำแหน่งไม่ต้องมีเงินทองไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีเครื่องบมรุงบำเลอความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างที่เรามีกันอยู่มีแล้วเป็นยังไงมีก็สุขเดียวเดียว พอทักทักก็เบื่อจำเจต้องหาของแปลกๆใหม่ๆมาล่อตาล่อใจอยู่ด้วยหามาได้เท่าไหร่เดียวมันก็เบื่อแต่ความสุขที่ได้จากความสงบนี้ไม่มีวันเบื่ออันนี้แหละเป็นสองที่เราขาดกันที่เราควรที่จะมาชิมกันตอนต้นนี้มาชิมกันก่อนมาทดลองฝึกนั่งสมาธิกัน ทำใจให้สงบให้ได้ถ้าใจสงบเพียงครั้งเดียวแล้วเราจะได้ริมรดแห่งธรรมที่ชนะลดทั้งปวงความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขอันนี้พอเราได้สัมผัสเพียงครั้งเดียวนี้เราจะติดใจเราก็จะอยากจะ สร้างความสุขแบบนี้ให้มีมากขึ้นเราก็จะต้องหาเวลาละเอาเวลาที่เราไปหาความสุขที่ไม่ดีมาหาความสุขที่ดีกันเช่นวันหยุดแทนที่จะไปเที่ยวกันหรือไปทาอะไรกันที่ไม่จาเป็นต้องทำก็มาหาความสงบกันดีกว่าจะมาวัดก็ได้ทำที่บ้านก็ได้ถ้าเราอยู่คนเดียวที่บ้านไม่มีใครมารบกวนใจเราก็ทำที่บ้านก็ได้ ทำไมนี้มีเครื่องปรับอากาศเราปิดห้องเปิดเครื่องปรับอากาศก็ไม่มีอะไรมารบกวนใจนั่งสมาธิในห้องก็ได้บางทีดีกว่ามาวัดมาวัดบางทีก็ต้องมาทำกิจกรรมร่วมกวับคนอื่นอีกเพราะว่าคนที่มาเข้าวัดส่วนใหญ่ยังเป็นแบบอนุบาลอยู่ยังนั่งสมาธิไม่เป็นยังต้องจับมาไหว้พระสวดมนต์กันก่อน เราก็บังคับให้นั่งสมาธิกันแต่ถ้าเราบังคับตัวเราเองให้นั่งสมาธิได้เราก็ไม่ต้องทำกิจกรรมเรื่องกับคนอื่นเราก็บังคับตัวเราอจะนั่งสมาธิสักห้าหกชั่วโมงวันนี้นั่งแบบสบายไม่ต้องนั่งขัดสมาธิก็ได้ยังไม่ต้องทรมานร่างกายนั่งให้นั่งเฉยๆแล้วก็พยายามวาควบคุมใจให้สงบไม่ให้คิดปรุงแต่งพุโทโธพุโทโธไป อันนี้ทำได้มันไม่ทรมานถ้านั่งแล้วเมื่อยก็ลุกขึ้นมายืนก็ได้แต่ไม่ให้ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นให้ทำกิจกรรมอันเดียวคือคควบคุมใจให้สงบไม่ให้ทำอะไรตามความอยากต่างๆถ้าเราสู้กับความอยากต่อไปความอยากมันก็จะอ่อนกาลังลงไปแล้วกาลังของสติปัญญาของเราก็จะมีเพิ่มมากขึ้น ต่อไปเราก็จะสามารถนั่งขัดสมาธิได้นอนตอนนี้ยังไม่ต้องนั่งขัดสมาธินั่งสบายนั่งห้อยเท้านั่งมนเก้าอี้แต่ไม่ต้องทําอะไรให้นั่งแล้วก็ควบคุมใจพุทโธพุทโธไปดูลมหายใจเข้าออกไปหรือถ้าเบื่อก็สวดมนต์ไปหรือไม่เบื่อถ้าไม่รู้จะทําอะไรนั่งเฉยๆก็ได้แต่อย่าไปคิดถ้าคิดแล้วเดี๋ยวมันเครียดมันอยากจะไปทำํทำนู่นทํานี่ ถ้ามันคิดถ้ามันอยากจะทำเราก็ต้องไม่ให้มันทำบอกตอนนี้ไม่ใช่เวลาทำอะไรทั้งนั้นเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอยู่เฉยๆนั่งเฉยๆเพื่อทำใจให้สงบเพื่อฝืนความอยากต่างๆนั่งถ้าจะไปก็ไปเข้าห้องน้ำได้อย่างเดียวถ้าหิวน้ำก็เอาน้ามาตั้งไวทไไ้ที่ใกล้ๆที่เก้าอี้ที่เรานั่ง มันเดี๋ยวมันจะอ้างเหตุผลไปนู่นมานี่อยู่เลยนี่คือการควบคุมความอยากแล้วก็มาหยุดมันให้ได้เราต้องมีกรอบบังคับมันถ้ามีมีกรอบเดี๋ยวมันมีลูกเล่นมาหลอกเราเลยเอ้ไปทำนู่นนี่ไปทำนี่หน่อยเห็นแด้นู่นไม่สะอาดเดี๋ยวขอกวาดขอถูหน่อยอะไรขึ้นมามันลูกเล็กดุกเล็กของมันอยู่เลยใจถ้าปล่อยมันทำมันก็จะไม่ไม่นิ่งมันไม่สงบ เราต้องมีกรอบบังคับมันเช่นจะนั่งอยู่ตรงนี้หกชั่วโมงจะลูกจากที่นี่ไปก็เฉพาะเวลาเข้าห้องน้ําถ้านั่งแล้วเมื่อยก็ลุกขึ้นมายืนได้ยืนแก้เมื่อยพอหายเมื่อยก็กลับไปนั่งใหม่มันไม่น่าจะยากย็นตรงไหนแนละ้วนั่งเฉยเฉยไม่ต้องทําอะไรสักหกชั่วโมงเนี่ยแต่ห้ามนอนนะห้ามห้ามนั่งหลับเนะี่ย นั่งหลับมันกเหมันหลีปัญหาไปไม่รับรู้อะไรเวลาเรานั่งรถไปต่างจังหวัดหกชั่วโมงแปดชั่วโมงทำไมาเรานั่งกันได้แต่เราก็นั่งหลับกันไม่นั่งหลับก็นั่งดูวีดีโอก็นั่งดูหนังสือนั่งอะไรกันแต่นี้เราไม่ต้องการให้มันทำอะไรเลยให้มันอยู่เฉยๆหยุดความคิดให้ได้หยุดถ้าหยุดความคิดได้หยุดความอยากมันก็จะหยุด แล้วความเครียด อ, อึดอัดมันจะหายไปแต่ถ้ามันไม่หายก็ใช้ความอดทนสู้กับมันว่ายังไงก็ต้องต้องนั่งให้ได้หกชั่วโมงมันไม่เจ็บแมมันไม่ได้ยากเย็นตรงไหนนั่งเฉยเฉยมันทำไมทำไ ม, ไม่ได้ให้มันรู้ไปเลยเราต้องใช้เหตุผลสอนใจเราว่าทำไมเรานั่งเฉยเฉยไม่ได้ถ้าเมื่อยก็ลุกขึ้นมายืนเฉยเฉยอ่างนี้ทาไมทำไ ม, ไม่ได้ เรต้องทำได้มันไม่ได้ยากเย็นเหมือนกับไปปีนภูเขาหรือไปทำงานทำอะไรเลยให้นั่งเฉยเฉยแท้ๆสบายจะตายไปถ้าเราหยุดหยุดความอยากหยุดความคิดได้มันก็จะเบาจะสบายเรืนเราต้องพยายามอย่าปล่อยให้ใจคิดเวลาเราจะปฏิบัติทำใจให้สงบพยายามมีสติกากับใจ มันระกมพุโทโธพุธโทโธไปหรือถ้าเบื่อก็เปลี่ยนเป็นส่วนอิทีพิโสร้อยจบก็ได้ส่วนอิทีพิโสไปส่วนไปมันก็เพลินเพลินแล้วมันก็จะไม่รู้สึกเกิดอักมันก็จะอยู่เฉยๆได้หรือถ้าส่วนแล้วเมื่อยก็เบื่อเหนื่อยก็ดูนมหายใจบ้างก็ได้ดูนมเฉยๆหรือว่าตอนนี้กำลังหายใจเข้าหรือหายใจออก หายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกเนี่ยทําอะไรอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆแล้วมันจะทนได้มันจะไม่ทรมานแต่ถ้าไม่มีอะไรให้ใจทําเลยมันมีแต่คิดอยากทํานู่นทํานี่เดี๋ยวมันก็อดทนไม่ไหวตะบะแตกแต่ถ้าเราทําได้เราจะรู้สึกว่าเรามีกําลังแต่เรานั่งเฉยๆหกชั่วโมงได้เนี่ไม่ทําอะไร เราจะรู้สึกว่าตอนนี้เรามีกำลังสู้กับความอยากของเราได้และเวลามีความอยากนี่เราหยุดมันได้แล้วต่อไปเราก็จะมีกาลังที่จะมานั่งสมาธิแบบขัดสมาธินั่งแบบไม่ขยับตัวเลยและเวลามันเจ็บก็ให้มันเจ็บไปเราก็พยายามทำใจให้เฉยๆอย่าให้มีความอยากให้ความเจ็บหายไป ถ้ามีความอยากให้ความเจ็บหายไปมันจะนั่งไม่ได้หรือถ้ามีความอยากอยากจะขยับอยากจะเปลี่ยน a ร e a บทนี้มันจะทนนั่งไม่ได้เราต้องอยากให้มันเกิดความอยากอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็พุโทโธไปดูลมหายใจไปอยากไปคิดถึงความเจ็บอย่ากไปให้มันมีความอยากเกิดขึ้นมาแล้วเราก็จะนั่งอยู่กับความเจ็บได้แล้วถ้าเราผ่านความเจ็บได้นิใจจะสงบ แล้วต่อไปเราจะไม่กลัวความเจ็บเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยนี้เราจะอยู่กับมันได้ไม่ทุกทรมานที่เราทุกทรมานเพราะเราอยากให้มันหายเราอยากไม่เป็นอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยกันพอเป็นมันก็เลยทรมานใจแต่ถ้าเรายอมรับความจริงว่าเรื่องของความเจ็บนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติของร่างกายที่จะต้องมี ใจเราสามารถอยู่กับมันได้ถ้าเรารู้จักวิธีอยู่กับมันวิธีที่อยู่กับมันก็คือต้องทำใจให้สงบอย่าทอย่าให้มีความอยากให้ความเจ็บหายไปหรืออย่ามีความอยากที่จะหนีจากความเจ็บนี้ไปด้วยการเปลี่ยนเอเรียบทเนี่ยเรามาใช้ความสงบสู้กับความเจ็บกันถ้าเรามีความสงบที่แน่วแน่นี้เราจะอยู่เราจะสู้กับความ ความเจ็บได้แล้วเดี๋ยวความเจ็บมันก็จะหายเองมันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับแล้วต่อไปเราเวลาเจ็บท่ายได้ป่วยนี่เราจะไม่ทรมานอันนี้ก็เป็นประการปฏิบัติเป็นขั้นๆไปขั้นต้นเอาแบบง่ายๆเอาแบบนั่งสบายๆก่อนกาจัดกิจกรรมต่างๆ ไม่ให้จํากัดไม่ให้ไปทำกิจกรรมอะไรให้นั่งเฉยๆแล้วก็ถ้าหยุดความคิดได้ก็จะสบายถ้าหยุดไม่ได้ก็ต้องใช้ความอดทนไม่เห็นมันจะเป็นปัญหาตรงไหนร่างกายมันก็นั่งสบายๆถ้าทนไม่ได้ก็เป็นปัญหาที่ใจที่ทรมานก็เพราะความอยากถ้ารู้ว่ามันทรมานเพราะความอยากก็หยุดเป็นเสดอยาบไปทาตามความอยาก เป็นตายได้ดีไงก็จะไม่ลุกไปทําอะไรเดี๋ยวพอเราเอาจริงเอาจังกับมันเดี๋ยวมันก็หยุดเองหยุดอย่างเองเมื่อมันรู้ว่าไปไม่ได้มันก็จะมันก็จะสงบตัวเองเหมือนคนที่ไปติดคุกใหม่ๆนี่จะทรมานมากเพราะอยากจะออกจากคุกกันนะแต่พอ ร, รู้ว่าอยากยังไงก็ออกไม่ได้เดี๋ยวมันก็ทำใจได้พอทำใจได้มันก็อยู่ได้มันก็ไม่ทรมาน แต่ช่วงแรกๆนี้มันจะทรมานเพราะมันเคยทำอะไรตามความอยากพอมันไม่ได้ทำตามความอยากความอยากมันไม่ยอมหยุดมันยังอยากจะทำอยู่มันก็เลยทำให้เราทรมานใจแต่ถ้าเราบอกว่าอยากยังไงก็ไม่ได้ทำอยู่ดีอยากไปทำไม ห, หยุดดีกว่านะเพอบอกวันนี้มันอาจจะยอมก็ได้พอมันหยุดความอยากจะทำอะไรมันก็นั่งเฉยๆได้สบาย ถ้ามันไม่ยอมเราก็ใช้พุโทโธช่วยก็ได้บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปส่วนอิติปิโสไปดูลมหายใจเข้าออกไปให้ใจมีกิจกรรมอะไรทำมีงานทำมันจะได้ไม่รู้สึกลำคาญหรืออึดอัดถ้าเราลองนั่งผ่านได้สักครั้งหนึ่งแล้วเราจะดีใจมีความสุขใจว่าโอ้เราสามารถนั่งเฉยๆได้ อาไปเวลาเราไม่รู้จะทำอะไรไม่มีเงินจะไปเที่ยวไม่มีเงินจะไปทำอะไรก็นั่งเฉยๆดีกว่าสบายไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องออกไปนอกบ้านให้ไปลำบากลำบนไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่นั่งเฉยๆเป็นเท่านั้นเองอ่าไปเราก็สบายไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปหาเพื่อนฝูงวันหยุดก็ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ ร่างกายก็ไม่ได้ทำอะไรนั่งเฉยๆพักผ่อนสบายพอถึงวันทำงานก็มีกำลังวังชาไปทางานดีกว่าไปเที่ยวกลับมาเหนื่อยไปพอถึงเวลาไปทำงานก็ไม่มีแรงไปทำงานเลยนี่คือมาตรการหาความสุขในรูปแบบใหม่คือการมาหยุดความอยากเพื่อทำใจของเราให้สงบกันลองทำดูไม่ยากหรอก เพียงแต่เราไม่ยอมทํากันเท่านั้นเองมันจะยากอะไรนั่งเฉยๆ เ, ยเด็กอนุบาล ย, ยังทําไดนะ้เราเป็นอาจารย์สอนเด็กทำไมเราจะทําไม่ได้นั่งเฉยๆแต่ต้องให้มันนั่งยาวๆแล้วให้มันทําอะไรทางกายทางวาจาและทางใจยหยุดมันหมดหยุดการกระทําทั้งหมดให้มันอยู่เฉย ๆ, ๆ ร่างกายก็ไม่ทำอะไรวาจาก็ไม่พูดอะไรใจก็ไม่คิดไม่ทำอะไรสงบกายวาจาใจได้แล้วจะเป็นสุขอย่างยิ่งใจที่ได้รับการอบรมนี้จะนำความสุขมาให้อย่างยิ่งแต่เมื่อแต่การหาราบยศสจรเสริญหาทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองต่างๆได้มามากน้อยเทียงหลายนี้มันไม่ได้ให้ความสุขอย่างยิ่งหรอกมันจะให้ความทุกข์เราเสมอ มันจะต้องทำให้เราวิตกกังวลห่วงใยกับสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ถ้าเราไม่มีอะไรเราก็ไม่มีอะไรจะต้องวิตกกังวลด้วยนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงคือการไม่มีความทุกข์ไม่มีความวิตกกังวลต่างๆถ้ามีอะไรแล้วมันจะต้องวิตกกังวลถึงแม้ว่ามันจะดีขนาดไหนมีราคาแพงขนาดไหนมันก็ยังต้องทาให้เรามีความวิตกกังวลอยู่ ยิ่งดีเท่าไหร่ยิ่งรักเท่าไหร่ยิ่งชอบเท่าไหร่ยิ่งวิตกกังวลมากขึ้นยิ่งหวงมากขึ้นยิ่งหวงมากขึ้นถ้าไม่มีคุณค่าราคานี้เราจะไม่ค่อยหวงไม่ค่อยหวงเท่าไหร่ย่อย่าไปมีของที่มีคุณค่าราคาเลยพระพุทธเจ้าสอนให้พระใช้ของถูกๆผ้านี้ให้ไปเก็บผ้าห่อศพมาใช้อาหารก็ให้ไปบิณฑบาตขอทานาตามมีตามเกิด ที่ อ, อาศัยก็อยู่ต่างโคนไม้ทําด้วยกิ่งไม้ทําด้วยใบไม้เป็นเพลิงพอหลบแดดหลบฝนได้ก็พอไม่หวงไม่ห่วง ม, มันจะพังเมื่อไหร่ก็พังไปใครจะมาขโมยก็เอาไปทําใหม่ได้ใจจะไม่มีความกังวลจะไม่มีความห่วงใยจะมีแต่ความสุขความสบาย อย่านย่าหลงย่าลงกับการหาสิ่งต่างๆเลยนะเอาเท่าที่จำเป็นเอาพ อ, พอมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอคือปัจจัยสี่แล้วก็ไม่ต้องรู้หรไม่ต้องไม่ต้องมีราคาแพงๆอาหารกินเพื่อให้มันดับความหิวได้ก็พอเสื้อผ้าไว้ปกปิดร่างกายป้องกันภัยจากความหนาวภัยจากสัตว์อะไรที่จะมากัดต่อย ก็พอละบ้านก็เช่าขเขาก็ได้ถ้าไม่มีเงินซื้อบ้านก็เช่าขเขาก็ได้ตายไปก็เอาไปไม่ได้ไม่ใช่ทำไมต้องซื้อบ้านด้วยตายไปบ้านของเราก็กลายเป็นบ้านของคนอื่นไปเช่ามันไปอาศัยเขาไปดีกว่าแล้วเราจะไม่ต้องดิ้นหลนหาเงินหาทองกันให้มากที่มันดิ้นกันเพราะมัน มันอายเขาเพราะเรายังมีอัตตาตัวตนอยู่ถ้าเราใช้อะไรด้อยของคนอื่นโดยเขาดูถูกหน่อยเราก็รู้สึกไม่สบายใจแล้วเราอย่าไปถืออัตตาตัวตนถือว่าเราเป็นขอทานเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้เป็นขอทา น, นันดับหนึ่งท่านเคยเป็นพระราชามาหากษัตย์แต่ท่านบอกมันทุกข์เหลือเกินต้องรักษาเกียรติของพระราชามาหากษัตย์ พอมาอยู่แบบขอทานนี่ไม่ต้องรักษาอะไรสบายใครจะดา่าใครจะดูถูกเหยียดหยามยังไงท่านก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราเป็นขอทานเขาจะว่าเราเป็นขอทานก็ปล่อยเขาว่าไปแต่เราไม่ได้ไปทำบาป ท, ทากรรมเราไม่ได้ไปทำอะไรที่มันน่าเกลียดเป็นความจนนี่ไม่น่าเกลียดเหมือนกับการทำบาปงันถ้าเราไม่ทำบาปนี่เรามีเกลีย ถึงแม้เราจะยากจนดีกว่าคนที่รวยแต่ทําบาปคนที่รวยแต่ทําบาปนี้ไม่มีเกียรติความน้ารวยนี้ไม่ได้เป็นเกียรติเกียรติอยู่ที่ศีลและธรรมอยู่ที่ความดีการไม่ทําความชั่วต่างๆเอ็งไม่ต้องไปกังวลเรื่องหน้าตาใครจะดูถูกดูแคลงก็บอกไม่เป็นไรเราเป็นลูกศิษย์ของขอทานอยู่แล้วพระพุทธเจ้าสอนให้เราเป็นขอทาน ให้เรามากน้อยสันโดด ย, ยินดีตามมีตามเกิดหรือเอาน้อยน้อยเอาของถูกถูกอย่าเอาของแพงแพงกระเป๋านี้ก็ใช้ถุงพลาสติกก็ได้ของฟรีเปลี่ยนยี่ห้อได้เลืเ <c oughs> อยเยอะเบื่อเบื่อยี่ห้อนี้ก็เปลี่ยนอนียี่ห้อหนึ่งได้ <c oughs> นี่คือทางเดินของพระบุทเจ้า ที่ทรงได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นทางเดินที่นำไปสู่สันติสุขความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีอะไรตามมาเพราะเป็นทางที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปทางที่เราเดินอยู่ตอนนี้มันจะพาให้เรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆเพราะความอยากมันไม่ตายไปกับร่างกายมันอยู่ในใจที่ไม่ตายมันก็จะดึงใจให้มาเกิดใหม่ พอยังอยากได้ลาบยศสรรเสริญยังอยากได้รูปเสียงกลิ่นรอดเยื่ก็ต้องมีตาหูจมูกลินกายต้องมีร่างกายเราก็จะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายแบบนี้ไปแบบไม่นับไม่ทวนชาตต่างๆที่เราเกิดมานี่มันมากมายกายของและจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสามารถทําใจเราให้สงบได้หยุดความอยากได้ ถ้าเราหยุดได้ทำใจให้สงบได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปการไม่ได้กลับมาเกิดไม่ได้หมายความว่าเราหายไปไหนเราก็ยังอยู่อยู่โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายเช่นเวลาเรานอนหลับเราก็ไม่ได้ใช้ร่างกายใช่ไหมตอนนั้นเราอยู่หป่ะเรายังมีอยู่เป่เราไม่ได้ใช้ร่างกายตอนที่เราหลับแต่เราก็ฝันได้ฝันดีก็ได้ฝันร้ายก็ได้ ถ้าเราไม่มีความอยากเราไม่ได้ทำความชั่วเราจะฝันดีไปตลอดเวลาไม่มีร่างกายก็เหมือนกับเราอยู่ในโลกของความฝันเนี่ยอยู่ในโลกทิพย์ใจเรานี่อยู่ในโลกทิพย์ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจที่ไม่มีความอยากก็จะมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขไปเพียงอย่างเดียวใจที่ยังมีความอยากอ ย, กอยู่ก็ก็จะต้องมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจต่าง ต้องกระเสือกกาสนต้องนิ่นนวนเพื่อไปหาสิ่งต่างๆที่อยากได้ก็ต้องกลับมาเกิดมามีร่างกายแล้วก็ต้องมาทุกขกับการเลี้ยงดูร่างกายทุกขกับการที่จะต้องให้ร่างกายแก่เจ็บตายอีงั้นอย่าไปคิดว่าการที่ไม่มีร่างกายนี้ทำให้เราสูญเราไม่สูญเราก็มีอยู่เหมือนเดิมแต่ดี มีแบบดีกว่าไม่มีร่างกายมีมีดีกว่าแบบมีร่างกายก็มีร่างกายแล้วมีภาระที่ต้องแบกหามร่างกายนี้เป็นภาระที่เราต้องคอยเลี้ยงดูมันพอไม่มีร่างกายแล้วก็สบายเหมือนคนที่ไม่มีลูกกับคนมีลูกอ่นไหนสบายกว่ากันใช่ไหมคนมีลูกก็ต้องเลี้ยงลูกต้องห่วงลูกพวกวิตกกังวลกับลูกแล้วเสียใจถ้าเกิดลูกมันเนรคุณ มันไม่รักเรามันเกลียดเราขึ้นมาเข้ามาเสียใจสู้ไม่มีไม่ดีกว่าคนที่ไม่มีลูกเขาสบายก็ไม่ต้องทุกขกับลูกคนที่ไม่มีร่างกายก็สบายกับคนที่มีร่างกายก็ไม่ต้องมาทุกขกับเรื่องของร่างกายจะไม่มีได้ก็ต้องหยุดความอยากทำใจให้สงบให้ได้ก็ต้องหาเวลากันหาเวลาอยู่บ้านก็ได้ อยู่บ้านนั่งเฉยๆฝึกสติสมาธิปัญญาตอนต้นถ้ายังไม่รู้ก็อ่านหนังสือธรรมะไปก่อนต้องหาหนังสือธรรมะที่เป็นหนังสือปฏิบัตินะถ้าไปหาหนังสือธรรมะที่ไม่เป็นหนังสือปฏิบัติก็เดี๋ยวก็หลอกให้ไปอินเดียไปนู่นมานี่ไปแสวงบุญไปสร้างเจดีย์สร้างโบสถ์สร้างอะไรอันนั้นก็อันนั้นเป็นระดับอนุบาลที่มาที่นี่ระดับอุดมศึกษานะ สอนขั้นสติขั้นปัญญาเราเป็นอาจารย์แล้วเรามันประสอนระดับอนุบาลทําไมใช่ไหมเป็นครูแล้วครูมาก็ต้องสอนระดับปริญญาคนที่มานี่ส่วนใหญ่เป็นคนระดับปริญญาเป็นหมอเป็นคนจบปริญญาตีโทเอกนะที่มาฟังธรรมะที่นี่คนที่ชอบพิธีกรรมสวดก็ไม่มาที่นี่หรอกเพราะเขาฟังแล้วเขาไม่เข้าใจเขาคิดว่า บุญกุศลความสุขอยู่ที่การสวดอยู่ที่การทำพิธีกรรมต่างๆสวดาบสวดมนต์คาบปีใช่ไหมสวดคืนเดียวปีนี้ทั้งปีดีไปตลอดเลย<ด><ด>อก็อพอใจลนะมันจะดีไปตลอดเราต้องหยุดความอยากให้มัน ไ, ได้ตลอดทั้งปีถ้าไม่มีความอยากทั้งปีรับรองได้ดี ถ้าต่อไปนี้ทุกวันยมวันหยุดไม่ต้องไปไหนอยู่บ้านนั่งเฉยๆได้ดีไม่ต้องเสียเงินต่อไปจะมีเงินเหลือใช้แล้วถ้านั่งเฉยๆอยู่คนเดียวได้ก็ไม่เหงาไม่ต้องไปหาเพื่อนไม่ต้องมีเพื่อนไม่ต้องมีสามีไม่ต้องมีภรรยาไม่ต้องมีลูกอยู่คนเดียวสบายงั้นก็ลองเอาไปทาดูนะลองฝึกทาใจให้สงบกัน หยุดความอยากกันฝืนความอยากกันแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นจะมีความสุขที่ไม่มีความทุกข์แบบที่เรามีกันอยู่ทุกวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พรยะทาวาเรวาหาปุรปาปะรรปุเรนติสาการัง เอวเมวะอิโตทินังเปตาังอุปการปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิดเปเมวะสมิจตุสัพเพโเริตุสังกปาจันโทปนาหราโสยธาณิโชติหราโสยธาสัพพิตโยวิวัจันตุสัพพโลกวินาสตุ มาเตผวตะวันตรายุสุขีทีคายุโกผวะอภิวาทานสีลิลสะนิจังวุธาปจายโนจัตารธรมมวาทานติอายุวานุสุขังภาลังถ้าใครยังไม่ได้หนังสือสีดีก็เอาได้นะมีหนังสือเล่มใหม่ สติธรรมเนี่ยวิธีเจริญสติลองไปหยิบ ด, ดูเป็นสีเขียวเล่มเล็กๆจะได้นั่งเฉยๆได้หกชั่วโมงถ้ามีสติแล้วนั่งได้ควบคุมความคิดความอยากได้นั่งเฉยๆสบายจะตายเลยเพื่อนคนนี้เป็นชาวสเปนนะ ม, มาอยู่เมืองไทยเนี่นาน น, ายยา น, นี่ยัง ส, สามปีแล้วเหร มาทำงานเนี่ยได้มามาอยู่มาอยู่เลยเหออประโยชมาอเงี้ยนะได้ม่มามามาอยู่เข้าไทยซึ่งซึ่งมาเข้าทางธรรมก็ตั้งแต่เข้ามาก็ผมทได้คุยกันแล้วแล้วเขาอวีซ่าแบบไหนนะทัวร์ทัวร์เก็ต้องออกไปต่อเรื่อยๆอย่างเงี้ยเรลยครับอออาจารย์ครับที่เป็นที่มาอยู่ไทย เรมีวีซ่าพิเศษถ้าเป็นพระนี่เขาให้ปีหนึ่งตั้งต่อทุกปีปีวีซ่าปีนเป็นเป็นหนึ่งปีขอเทีหนึงได้ปีหนึ่งแต่ยังต้องรายงานทุกสามเดือนรายงานตัวทุกสองเดือนอันนี้ก็มีพระชาวต่างประเทศหลายชาติสิงคโปร์เยอรมันฝรั่งเศส บราซิลอเมริกันแล้วมีภาคขาวมาอยู่เพิ่งมาอยู่คนชื่อมาจากลิทัวเนียแล้วก็โรมาเนียโรมาเนียนี่มาอยู่ได้เกือบปีแนละ้วั้งแต่ก็ไปต่อวีซ่าทุกสามเดือนทุกสามเดือนก็ต้องออกไปไปที่คัมเนบ้างไปที่ลาวบ้างไปที่มาเลเซียบ้าง ย้ายที่ไปเพรถ้าไปสถานทุนอันเดียวมึงเขาจําหน้าได้หรืล่าถ้าขายังไม่บวดอะไรยังไม่ตายก็คงอย่างนั้นมึงเขายังไม่คิดจะบวชกันเกายัางอาจจะสนใจเรื่องการปฏิบัติแต่ยังไม่คิดอยากจะเป็นพระคิดว่านองปฏิบัติไปก่อนอาจจะยังไม่อยากจะบวช เพราะการบวดนี่มันก็เป็นเหมือนจับไปติดคุกนะถ้ายังไม่บวชนี่มันยังสุดแข็งคุ ก, คคกถ้ายังไม่บวชถ้าเบื่อนั่งสมาธิก็อยากจะไปเที่ยวพัทยาก็ไปได้มีชาวสเปนเขาเพิ่งกลับไปเข้ามาอยู่ได้เดือนหนึ่ง ตอนชเช้าก็ไปช่วยบินตาบาดไปถ่ายบาดวันนี้เขาทํางานที่เยอรมันแต่เป็นชาวสเปนแล้วเขาบอกว่าเขาเหลืออีกสองปีเขาก็จะรับบํรนา น, นาญได้เขาบอกเขาจะรอทําให้มันได้รับบํานาญได้ก่อนแล้วค่อยจะมาบวชเขาทุกหกเดือนได้หยุดหนึ่งเดือนเขาก็จะบินตรงมามาอยู่ที่นี่เลย ออกครบก็กลับขึ้นสนามบิน ไ, ไม่ได้แวะเที่ยวที่ไหนจะมาปฏิบัติที่นี่เดินเขาที่แล้วพี่มาแล้วก็กะมาเที่ยว <ừ. S 2> พอมาแรกปฏิบัติสามสี่วันก็ดูแล้วดีกว่าติดใจต้องกลับไปเยีมันเขาอยู่เยอ่มันตอนที่มาเขาที่แล้วรถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวง่ว มี่กาอยากจะถามอะไรไหมมาจากที่ไหนมาจากกรุงเทพครับอาจารย์เคยมาปะเคยมาอ๋อแต่คนนี้มาครั้งแรกอ๋ออันนี้วันครูเลยไม่ต้องไปโรงเรียนนะครับอืออือบรรการศดีเล ย, ยละะนะรราาจ์ได้มาสัมผัสกับบรรยากาศของวัดบ้างอันนี้ก็เป็นโรงเรียนงโรงเรีย น, นแต่โรงเรียนสำหรับผู้ใหญ่ ยังหนูโตขึ้นหนุ่มก็มาเขาโรงเรียนนี้ต่อตอนนี้มารู้จักโรงเรียนกันออกไปจะได้มาถูกโรงเรียนนี้ทุกคนต้องมากันเพราะว่าทุกคนยังมีความไม่สบายใจกันอยู่โรงเรียนนี้จะสอนวิธีบำบัดกำจัดความไม่สบายใจต่างๆให้หมดไปจะไม่มีความไม่สบายใจน้องเหลืออยู่เลย จะอยู่อย่างสบายเจ็บไข้ได้ป่วยตายไปก็ไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรยากดีมีจนหมดเนื้อหมดตัวก็ไม่เป็นไรใจจะสบายใจอยู่ได้ใจไม่วุ่นวายใจรับกับเหตุการณ์ต่างๆได้หมดเพราะใจไม่ได้ต้องอาศัยสิ่งต่างๆเลยความหลงมันหลอกให้เราไปอาศาัยกันเองพอเรารู้จักวิธี พึงใจได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งสิ่งต่างๆเราก็เราก็ไม่พึ่งสิ่งต่างๆเพอะสิ่งต่างๆหายไปหมดไปเราก็ไม่เดือดร้อนพยาพยามพยายามรักษาใจสร้างความสุขให้กับใจด้วยการปฏิบัติสิ่งสมาธิปัญญา อยาไปหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายเลยเหมือนยาเหมือนเหมือนยาเสพติดเที่ยวเท่าไหร่ก็ไม่พอความอยากมันไม่ได้หมดไปมันมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆมาทำความสงบแล้วความอยากมันจะน้อยลงไปเบาลงไปแล้วหมดไปแล้วจะทำให้เราอยู่เฉยๆได้ทำให้เราไม่เดือดร้อนกับสิ่งต่างๆเหตุการณ์ต่างๆ จะให้ทางบ้านเขาทางมีเข้ามากี่คนต่อทาอ่างเฟร น, น, นี้นี้ตอนนี้เหลือสามร้อยครับมัสกูสามร้อยเจ็ดสิบสัตสามร้แปดสิบครับ u t u b e ก็สามสิบแปดคน38มสิบแปโทนี่เข้ามาก็ือเป่เนี่มีมิรชเชลารครับเชลาร์ถามคำถามมาครับอ้าวเชลารก่อนนะยมาจากสีรังกาครับคำถามฝากถามจากโยมเมื่อวานนะครับ พ่อของลูกกาลังป่วยหนักลูกพยายามดูแลอย่างดีที่สุดแต่พ่อแม่ดื้อ ม, มากไม่ปรงไม่เตรียมตัวเตรียมใจยอมรับสู่โลกหน้าเลยบางครั้งลูกๆต้องดุว่าเพื่อให้พ่อมีสติภาวนาพุโทโธลูกจะบาปไหมคะคือเรื่องของจิตใจนี้มันยากเราดูแลได้ก็ทางร่างกายเท่านั้นเรื่องของจิตใจนี้มันเป็นเรื่องของจิตวิทยา เป็เรื่องการที่จะไปยัดเยียดบังคับนี่มันจะมันจะต่อต้านเราต้องรู้จักมีอุบายล่อเขาดึงเขาถ้าเราไม่มีเราก็อย่าไปทําดีกว่าไปว่าพ่อว่าแม่ไปบังคับพ่อแม่นี่มันไม่ถูกต้องมีอุบายหลอกล่อให้เขาสนใจหรืออยากได้อยากจะทําถ้าเราไม่มีอุบายก็ ดูแลร่างกายท่านไปก็พอที่เราพยายามที่จะให้ท่านทำก็เพราะใจเรามันอยากขึ้นมาเองแล้วมันทำให้เราเครียดอยากให้ท่านทำพอท่านไม่ทำเราก็ยิ่งเครียดใหญ่เราหยุดความอยากดีกว่าอย่าไปอยากให้ท่านทำปล่อยให้ท่านสบายไปไปบังคับกันทำไมไม่เกิดประโยชน์อะไรพ่อแม่ก็ไม่สบายใจเราก็ไม่สบายใจ พ่อแม่เขาก็ไม่ทำตามที่เราอยากให้เขาทำอยู่ดีงั้นเราทาในส่วนที่เราทาได้ก็คือดูแลร่างกายของท่านดีกว่ารับใช้ท่านเอาใจท่านท่านอยากจะทำอะไรอยากให้เราทำอะไรให้กับท่านเราก็ทำไปให้กับท่านส่วนเรื่องของทางจิตใจก็อาจจะใช้การถามว่าอยากอยากจะฟังทำไหมเปิดซีดีให้ฟังเอาไหม อยากให้ให้อ่านหนังสือธรรมะให้ฟังไหมอย่างนี้ดีกว่าเราเป็นลูกด้วยไม่ควรที่จะไปสั่งไปสอนพ่อแม่พ่อแม่นี่เขาไม่หวังให้เรามาสั่งมาสอนเราเพราะงั้นควรจะทำตัวเป็นเด็กรับใช้ไม่ใช่ควรจะไปทำตัวเป็นพ่อเป็นแม่ของพ่อแม่เราอีกทีไม่ถูกมันไม่ได้ผลด้วยหลักด้านด้านล่างตามหลักของจิตวิทยามันไม่ได้ผล คนเราจะโน้มน้าวจิตใจคนนี่เราต้องใช้ไม้อ่อนมันจะได้ประโยชน์กว่าเราถ้าเราอ่อนเขา้เาแล้วเขาก็จะอ่อนเข้าหาเราถ้าเราแข็งใส่เขาเขาก็จะแข็งใส่เราขึ้นมาคำถามจากโยมบนสาราฝากถามนะครับข้อที่หนึ่งอาหารที่เรามาทำบุญพระท่านพิจารณาแล้วโยมรับมาทานหรือเอาไปฝากญาติบาปไหมครับถ้าพระชัน พระหมายถึงพระพระสละแล้วนี่ก็ไม่บาปถ้าพระยังไม่ได้ยังไม่ได้ฉันยังไม่ได้อะไรแล้วเราไปกินก่อนของพระนี่ก็จะบาปเพราะวเหมือนกับเป็นขโมยอาหารพระไปข้อที่สองนั่งสมาธิแล้วเห็นเป็นแสงสว่างหรือแสงสีต่างๆพอรู้ตัวกำหนดรู้หนอแล้วมาจับดูลมหายใจต่อเมื่อมีอาการอย่างนี้ควรทาอย่างไรครับ ก็ไม่ควรจะทิ้งลมหายใจเลยเวลานั่งนี้ต้องดูลมหายใจเพียงอย่างเดียวแล้วเวลามีแสงมีสีมีอะไรก็อย่าไปสนใจมันเป็นภาพลวงมันเป็นภาพลวงภาพหลอกเราให้เราเสียสมาธิให้เรามีสติอยู่กับดูการดูลมหายใจเพียงอย่างเดียวแล้วเราจะไม่เสียสมาธิถ้าเราไปสนใจไปดูแสงไปดูสีอะไรสมาธิเราจะหายไปจิตเราจะไม่สงบ เวลานั่งนี่ต้องให้ใจอยู่กับเรื่องเดียวอย่าไปสนใจกับเรื่องอื่นถ้าดูลมหายใจก็ให้อยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวหรือถ้าบริกรรมพุทธโธก็ให้อยู่กับพุทธโธไปอย่างเดียวแล้วเวลามีอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจถ้าเราไปสนใจปั๊บนี้เราเสียสมาธิแล้วใจจะไม่สามารถไปสู่จุดหมายปลายทางคือความสงบได้ จักโยมอีกท่านบนศารานะครับข้อที่หนึ่งเคยฟังธรรมที่วัดแห่งหนึ่งว่าคนเราที่ตายไปแล้วกว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีโอกาสเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บจริงหรือไม่เพราะทําไมปัจจุบันเห็นคนเกิดมามาก อ, อ๋อเพราะว่าคนเสพกาามากมันก็เลยเกิดกันมากสมัยนี้ความเจริญทางด้านกาามันเยอะแหล่งท่องเที่ยวแหล่งที่จะเสพกาามันเยอะ ทำไมก่อนจะเสกกลามกันนี้ต้องไปสู่ข อ, อกันเดีย๋ยวนี้มันไม่ต้องสู่ขอแล้วมันก็เลยทำให้มีการเสกกลางกันมากมันก็เลยมีการเกิดมากขึ้นอันหนึ่งแต่มันก็ยังสู้พวกสัตว์เดรัจฉานไม่ได้สัตว์เดรัจฉานนี่เขาเกิดทีเป็นฝูงเลยน ะ, ห ม, ะหมัวหมานี่เป็นคอกเลยปลานี่เป็นฝูงเะฉะนั้นการจะมาเกิดเป็นมนุษย์นี่มัน มันยังยากกว่าการไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉา น, นแล้วถ้าเราเคยทำบาปมานี่ก็ยังมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ต้องไปเป็นใช้บาปกรรมไปเกิดเป็นเดรัจฉานก่อนแล้วเวลามีมีโอกาสก็ต้องมารอคิวอีกเพราะว่ามนุษย์นี่บางทีก็มันก็มันไม่ได้เกิดที่ได้เยอะๆถึงแม้ว่าจะมีปริมาณมากแล้วในขณะนี้ แต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับปริมาณของสัตว์นี่มนุษย์ยังมีจํานวนน้อยกว่าสัตว์มากถ้าเรารวมถึงพวกมดแมลงหนอนอะไรปลาเปลอือกอะไรนี่โอ้มันเยอะกว่าเราหลายหลายล้านเท่าเพราะฉะนั้นการมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ละครั้งท่านหนึ่งบอมันยากยากกว่าการได้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานเพราะว่าเดรัจฉานนี่มันอ่ามันง่ายกว่า แล้วเป็นมนุษย์นี่มันต้องไม่มีไม่ได้ทำบาปด้วยมันถึงจะได้กลับมาเกิดซึ่งพวกเราทุกคนนี้สารภาพกันทุกคนว่าทำบาปด้วยกันทั้งนั้นใช่ไหมไม่มากก็น้อยไม่ตกยุงก็ฆ่ามดมาแมลงอะไรต่างๆเราก็ต้องไปใช้กรรมฆ่ามดตัวหนึ่งก็กลับไปเกิดเป็นมดครั้งหนึ่งฆ่ามดสิบตัวก็กลับไปเกิดเป็นมดสิบครั้งกว่าจะได้กลับมา เป็นมนุษย์นั้นก็เลยนานนอกจากคนที่ไม่ทําบาปเลยเช่นพระโสดาบานันนี้ท่านไม่ทําบาปท่านตัดการทําบาปได้ท่านสามารถกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เลยหลังจากที่ตายไปแล้วข้อที่สองโยมเคยดักหนูด้วยกาวโยมรู้สึกกิจจะมีวิธีแก้กรรมอย่างไรก็อย่าไปทําใหม่กรรมเก่าไปแก้ไม่ได้แล้วไปได่าก็แล้วจะไป ต่แล้วก็ต้องรอ้อยเขามาด่าเรา<ม>เราไปทำให้หนูตายต่อไปเราก็ต้องไปเกิดเป็นหนูแล้วให้คนอื่นเขามาทำให้เราตายบ้าง<ม>แต่กรรมใหม่เราอย่าไปทำมันก็ไม่ต้องไปเสีมันก็ไม่ต้องไปใช้กรรมอะไรที่ทำไปแล้วนี่เราแก้ไม่ได้ลบล้างไม่ได้คำถามจากคุณจาุวัฒนะครับ ระหว่งางคารวาตผู้เป็นอาิยะบุคคลเช่นพระโสดาบันหรือพระหรือพระอรหันต์กับพระภิสุสงฆ์ใครต้องเป็นฝ่ายทำความเคารพอีกฝ่ายก่อนครับคือการเป็นพระอริยนี้มันเป็นเป็นความเป็นเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องที่อยู่ในใจของเราเองอันนี้มันไม่เกี่ยวกับคนอื่น ฉันจะเป็นโซดาบันเป็นอหรหันนี่มันไม่มีใครรู้แล้วก็มันไม่เกี่ยวกับคนอื่นฉะนั้นมันจะมันจะมาใช้ในการที่จะไปบอกบังคับคนอื่นว่าฉันเป็นโซดาบันนะเธอเป็นผุ้ตุชนฉันสูงกว่าเธอเธอต้องไหว้ฉันนี้ทําไม่ได้เพราะสังคมในโลกเรานี้เราไม่ได้ใช้การวัดแบบนี้เรามีมาตรฐานการวัดคนละอย่างกัน อย่างพระนี่เราก็วัดด้วยพรรษาใครบวชก่อนบวชหลังก็ถือว่าเป็นผู้ที่แก่กว่าหรืออ่อนกว่าเราก็เคารพตามพรรษาถึงแม้ว่าพระที่อ่อนกว่าอาจจะเป็นพระอหรหันต์พระอรหันต์ก็ต้องก่าพระที่เป็นบุตุชนที่มีกิเลตตันหาถ้าท่านมีถ้าท่านมีพรรษามากกว่าถ้าท่านบวชกว่ากันมันไม่เกี่ยวกัน เรื่องของความเป็นพระอริยเจา้านี้มันไม่เกี่ยวกับการเป็นพระหรือเป็นโยมเป็นโยมเป็นเป็นพระโสดาบันแล้วก็พระที่เป็นพระภิกษุนี่เป็นอา่าเป็นบุตุชนมีกิเลสนี้โยมก็ยังต้องกราบพระอยู่แสดงความเคารพต่อพระอยู่คําถามข้อสุดท้จากคุณพัชชลานะครับถ้านั่งภาวนาหกชั่วโมงพระอาจารย์ให้เปลี่ยน อิริยาบถได้แปลว่าเราไม่ต้องหลับตาต่อเนื่องหรือคะพอเปลี่ยนท่าแล้วพูดโทรต่อเลยใช่ไหมคะได้คือขั้นนี้อยากให้ไม่อยากให้ท ร, รมานร่างกายให้ท ร, รมานความอยากเท่นั้นเองท ร, รมานความอยากจะไปทำ น, น, ทนู่นทานี่ลุกเด็กอยู่นั่นนี่ยมันทั้งเฉยๆอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรถ้านั่งรล้รู้สึกเมื่อยก็ลุกขึ้นมายืนได้แต่อย่าเดินไปไหนมาไหน ถ้าจะไปไข้เข้าไปห้องน้ำไปถ้าต้องการเข้าห้องน้ำก็ไปไนดะ้ไปแล้วก็ต้องรีบกลับมาไม่ใช่ไปทะเลถลายทำอะไรในห้องน้ำอย่างนี้คําำถามเจคุณเรือนเคียงภูนะครับการนั่งสมาธิแบบที่เรียกว่าสัปปายะหาที่ที่สบายไม่เจ็บปวดเช่นการนั่งบนเก้าอี้หรือการเปลี่ยนอิริยาบถ ท, ทุกครั้งที่เกิดอาการเจ็บปวด แบบนี้จิต จ, จะสามารถเข้าสู่สมถะและวิปัสนาที่ถูกต้องใหม่เจ้าคะไม่ได้หรอกคำว่าสัปปายะนี้ไม่ใช่สัปะไม่ใช่หมายถึงสบายทางร่างกายสบายทางจิตใจจิตใจสบายเขาที่สงบไม่มีอะไรมารบกวนใจที่ท่านว่าสัปปายะนี้ท่านหมายถึงสัปปายะทางใจไม่ใช่สัปสัปปายะทางร่างกายอย่าก็กินให้มันเต็มที่นอนให้มันเต็มที่มันสบายทางร่างกาย มันจะมันจะลำบากทางร่างกายเพราะมันจะต้อง อ, อดข้าวบ้างเพราะถ้าไม่อดมันง่วงนั่งแล้วมันก็หลับเนี่ยผู้ที่ภาวนาท่านถึงสอนให้ถือศีลแปดเนี่ยให้อดข้าวแล้วก็เวลาให้นั่งทรมานเจ็บแล้วก็อยากขยับยนี้หรือถ้าเดินก็เดินให้มันจะทั่งเมื่อยเดินไม่ไหวทรมานร่างกายร่างกายไม่สับไปะยะ แต่มันจะทำให้ใจสับ ป, ปายะเพราะมันจะบังคับให้ใจสงบเพราะท้าให้สงบมันจะทนกับความเจ็บกับความยากลาบากของร่างกายไม่ได้แต่ถ้าทําใจให้สงบได้แล้วความทุกข์ยากลาบากของร่างกายนี้จะไม่เป็นปัญหากับใจที่สงบแต่เราต้องอาศัยความทุกข์ของทางร่างกายเพื่อบังคับให้เราทําใจให้สงบกันคาถามข้อต่อไปนะครับ คำถามข้อต่อไปจากคุณป้อมนะครับมีคนเคยบอกลูกว่าการทําบุญไม่ว่าจะใส่บาตรหรือทํามู ล, ลนิธิต่างๆเช่นช่วยชีวิตคนถือว่าเป็นเศษบุญถ้าจะได้บุญใหญ่ต้องทําบุญด้วยวิหารทานเป็นการเข้าใจถูกหรือผิดคะคือการทําบุญนี้มันมีประโยชน์อยู่2 ส, ส่วนประโยชน์ที่เราได้รับในตัวเราเองคือใจของเรา และประโยชน์ที่เกิดจากการกระทําของเราเวลาเราเสียสละเงินทองเส่นร้อยบาทเนี่ยเราจะให้ใครเอาไปทําอะไรเราก็เสียสละค่าร้อยบาทความรู้สึกที่เราได้สละเงินร้อยบาทนั้นไปมันก็เหมือนกันไม่ว่าจะให้ขอทานหรือให้พระอริยเจ้าความรู้สึกว่าเราได้สละเงินทองนี้ที่ทําให้เราเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมานี้มันเท่ากันมันไม่ได้เกี่ยวกับบุคคลที่รับ มันเกี่ยวกับปริบาลเงินที่เราให้ถ้าเรายิ่งให้มากมันก็ยิ่งสุกมากขึ้นอันนี้เป็นเป็นเรียกว่าบุญที่เกิดจที่เกิดในใจของเราส่วนประโยชน์ของผู้ที่เขารับนี่แล้วเขาจะไปทำอะไรนี่ก็อยู่ที่ความสามารถของผู้ที่รับเงินของเราไปถ้าไปให้ขอทานมันก็อาจจะไปซื้อข้าวกินอะไรถ้าไปให้พระอริยท่านอาจจะไปสร้างวัดสร้างอะไรขึ้นมา ซึ่งอาจจะมีประโยชน์มากกว่าที่ขอทานจะเอาไปทำอันนั้นมันเ อ, เอกเรื่องหนึ่นงไงงั้นถ้าให้เงินไปปล่อยนกปล่อยปลาแล้วให้เงินไปสร้างศาลาอย่างเงี้ยมีศาลาพวกเราก็จะได้มานั่งฟังเทศฟังธรรมกันได้ถ้าป่อปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยเสร็จมันก็ไปแล้วมันก็ช่วยชีวิตของนกของปลาไปประโยชน์มันต่างคนละอย่างกัน ถ้ามาสร้างศาลาแล้วมีโอกาสได้มาฟังเทศฟังธรรมก็จะได้ประโยชน์เกอธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนนะก็จะทำให้เราสามารถเอาธรรมนี้ไปสร้างประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าบรรลุปเป็นพาาาระอรหันต์กันได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะเกิดจากการฟังเทศฟังธรรมนี้ฉะนั้นประโยชน์ที่ผู้รับทานจากเราเนี่ยเขา จะมีความสามารถไม่เหมือนกันต่างกันถ้าเราไปทำบุญกับโรงเรียนอาจารย์ก็จะเล่าเรื่องการศึกษาให้เราฟังถ้าไปทำบุญกับโรงพยาบาลหมอก็ก็จะเล่าเรื่องวิธีรักษาร่างกายต่างๆให้เราฟังถ้าเราไปทำบุญกับพระที่วัดเนี่ยท่านก็จะเล่าเรื่องวิธีปฏิบัติทราให้เราฟังกันเราผลตอบแทนที่เราจะได้ลกลับมามันขึ้นอยู่กับบุคคลที่เราไปทาทำทานด้วยทาบุญด้วย ว่าเขามีความสามารถที่จะตอบสนับตอบแทนเราได้มากน้อยเพียงไหรหรือเขาจะเอาเงินทองเราไปทําประโยชน์ได้มากน้อยเพียงไรคําถามจ้าคุณเนกบก ค, ครับกรรมแต่อดีตชาติจะติดตามเรามาถึงชาตินี้ไหมคะถ้าเราปฏิบัติต่ตอเนื่องเราสามารถแก้กรรมเราได้ไหมคะหรือว่าเราต้องชดใช้กรรมนั้นก่อนถึงจะหมดกรรม คือกรรมถ้ามันยังไม่ได้แสดงผลมันก็ยังมันก็ยังจะตามมาอยู่จะมันจะตามไม่ทันก็ต่อเมื่อเราไปพระนิพพานนั้นถ้าเราไปถึงพระ น, นิพพานหรือถ้าเราไม่มาเกิดเป็นมนุษย์นี่มันก็ตามไม่ได้ละถ้าเราไปเป็นพรหมนี่เป็นพระอนาคามีก็มไม่มีกรรมนอกจากกรรมกรรมเล็กๆกรรมที่มีอยู่ในใจแต่กรรมที่เกิดจากคนอื่นนี่มันจะไม่มีจะมีต่อเมื่อเรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ย ถ้าเราไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วกรรมต่างๆที่เราทำมันก็ไม่สามารถที่จะส่งผลได้คำถามจากคุณแสงสว่างนะครับได้นั่งภาวนาดูลมหายใจแล้วเลือนร่างกายท่อนบนสูงขึ้นแต่ท่อนล่างก็อยู่ที่เดิมแล้วมีอาการเหมือนจิตออกจากร่างนั่งแบบนี้ก็ไม่ดีอย่าไปสนใจอาการต่างๆ นั่งให้สนใจอยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับลมหายใจอาการต่างๆนี้มันเป็นภาพหลอกภาพหลอนไม่ทำให้ใจเราสงบมันกลับทําให้ใจเราฟุ้งซ่านขึ้นมางั้นอย่าไปสนใจเราไม่ต้องการนั่งเพื่อจะเห็นนู่นเห็นนี่เราต้องการเพื่อจะให้จิตสงบให้จิตเย็นสบายให้มีแต่ความว่างนั่นคือเป้าหมายของการนั่งสมาธิ คนส่วนใหญ่สมัยนี้นั่งสมาธิไม่เป็นนั่งแล้วชอบเ ห, นหนเห็นนู่นเห็นนี่แล้วก็ไปวิาพาควิจารณ์ไปคณะคาดคณีว่าเป็นนูน่นเป็นนี่ขึ้นมาดีไม่ดีหลงเชื่อก็เลยกลายเป็นความหลงไปหลงว่าตนเองเป็นเท้านู่นเท้านี่เป็นพรมนั่นพรมนี่ก็เลยไม่ได้เป็ น, เ ป, นเป็นการนั่งแบบแบบเพื่อทําใจให้สงบเพื่อทําใจให้มีความสุข คำถามเจ้าคุณเด็กเด็กกลัววัดนะครับถูกรีไทยจากมหาลัยมาและเป็นคนชอบปฏิบัติธรรมแล้วสนใจในธรรมะมากแต่ต้องผิดศีลข้อ4ีอยู่เสมอเพราะด้วยความอายญาติพี่น้องคนรอบตัวดิฉันเป็นทุกข์มากและไม่สามารถปฏิบัติภาวนาให้ดีได้เลยเพราะศีลไม่ครบควรทำอย่างไรดีก็อย่าพูดก็แล้วกัน ถ้าไม่พูดมันก็ไม่ผิดศีลนะถ้าจะต้องโกโหกก็อย่าพูดดีกว่าฝูกปากไว้เฉยๆก็จะไม่ผิดศีลคำถามสกุลสัญญานะครับตอนผมบวดเข้าอัปปนาสมาธิได้ชำนาญมากแต่ไม่ได้เจริญปัญญาต่อมาศึกมาป่วยเป็นปลายประสาทอักเสบที่บริเวณใบหน้าทำให้กำหนดลมหายใจรู้ลมได้ชัดยิ่งภาวนาใหม่ๆ อาการตึงใบหน้ายิ่งเพิ่มภาวนาแบบพุโทโธแบบถียิปยังต้องใช้สองชั่วโมงขึ้นไปอาการตึงถึงจะน้อยลงนิวรจึงดับทำให้ภาวนาครั้งหนึ่งจะให้ได้ผลใช้เวลารวมถึงสี่ชั่วโมงแต่ยังเข้าอัปปนาไม่ได้คือกายจับลมหายใจไม่ดับเหมือนสมัยบวชพระอาจารย์มีข้อแนะนำให้เข้าอัปปนาสมาธิได้เหมือนเก่าใหมครับ ปัจจุบันสีหบริบูรณ์บางระยะก็สี่แปที่มันเข้าไม่ได้เพราะสติมากกว่าเพลิสติสติไม่ต่อเนื่องนั่นเป็ตัวอย่างให้มันต่อเนื่องถ้าพุทโธก็ให้มันพุทโธไปอย่าให้มันขาดตอนถ้าดูลมก็ให้มันดูลมอย่างต่อเนื่องอย่าให้มันขาดตอนถ้ามันไม่ขาดตอนมันไม่นานหรอกที่มันนานก็เพราะว่ามันไม่อยู่กับพุทโธไม่อยู่กับลมอย่างต่อเนื่องเนี้อย่าไปอยู่กับอาการอะไรต่างๆอย่างอื่น ให้อยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียวแล้วอยู่กับนมหายใจไปเพียงอย่างเดียวแล้วมันจะเข้าได้อย่างง่ายและเร็วทาถามชักุลพิมพนะครับจริงหรือไม่เวลากวดน้ำให้กับดวงวิญญาณถ้าหากดวงวิญญาณรับรู้เราจะต้องขนลุกหรือสัมผัสอะไรได้จริงไหมครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> เราไม่เคยกวดน้ำ ถามจากคุณรุ่งนะครับกรรมทางใจที่พระอาจารย์บอกคือความทุกข์ต่างๆที่อยู่ในใจเราใช่ไหมคะหรืออะไรบ้างของพระอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างก็กรรมในใจก็เนี่ยเหตุการณ์ต่างๆเรายัางอาจจะไปคิดถึงในอดีตก็ได้คิดมาแล้วเราก็ทำให้ใจเราไม่สบายขึ้นมาได้อันนี้เรื่อกรรมภายในใจถ้าเราทำใจใสงบได้เราก็สามารถหยุดกรรมภายในใจได้ คำถามจากคุณจันทนานะครับที่ผ่านมาสองสามปีได้ถวายน้ําหน้าหิ้งพระและสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้าก่อนไปทํางานเกือบทุกวันช่วงหลังได้ทําเฉพาะวันพระเนื่องจากไปทํางานสายก็เลยทําเฉพาะวันพระเท่านั้นจะเป็นอะไรหรือเปล่าคะก็ไม่ได้ทํามันก็ไม่ได้ผลน่ะสิทําทําน้อยก็ได้ผลน้อยทํามากก็ได้ผลมาก มันเรื่องของเหตุของผลไงมือนกินอ่ะกินสองคำกับกินสิบคาเนี่ยมันกินสิบคามันก็ได้มันก็อิ่มกว่ากินกินสองคำการกระทําการปฏิบัติธรรมนี่ก็เป็นเหมือนกับการให้อาหารใจถ้าให้น้อยใจก็อิ่มน้อยถ้าให้มากปฏิบัติมากใจก็จะอิ่มมาก เวลาที่คนเขาไปปฏิบัติอยู่อยู่ที่ปฏิบัติต่อเนื่องสามวันห้าวันนี้เขาจะได้รับผลมากกว่าเวลาที่เขาปฏิบัติที่บ้านวันละชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเนเพราะเหตุคือการปฏิบัติมันน้อยผลมันก็ต้องน้อยตามเหตุแต่เวลาไปอยู่ตามวัดหรืออยู่ตามสถานที่ปฏิบัติทมนี้ได้ปฏิบัติตลอดเวลานอกจากเวลาหลับเนี่ยผลมันก็จะมากกว่า คำถามจะคุณมัมนะครับนั่งสมาธิและเริ่มจเจริญสติรู้สึกสงบแต่ไม่ค่อยอยากคุยกับใครอยากจะอยู่คนเดียวแม้กระทั่งกับสามีหรือญาติอันนี้ผิดปกติไหมคะงานที่ทำเป็นธุรกิจส่วนตัวที่จะต้องแก้ไขปัญหาผู้ปกครองกับเด็กแต่กลับรู้สึกเบือ่อ <c oughs> ปัญหาของคนอื่นที่ต้องเข้าไปตอบจะทำอย่างไรดีคะจะคิดอย่างไรดี ให้ไม่เบื่อแบบนี้อ๋อเวลาทําใจให้สงบมันก็จะเบื่อกับเรื่องวุ่นวายต่างๆมันเป็นธรรมดาใจที่มีความสงบก็ไม่อยากจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรงั้นถ้าเรายังต้องการเกี่ยวข้องอยู่เราก็อย่าไปทําใจให้สงบถ้าทำให้จะสงบแล้วมันก็จะเบื่อกับเรื่องราวต่างๆแต่มันไม่ได้เป็นความแบบเบื่อแบบเบื่อหน่ายมันเบื่อแบบลาคาญเบื่อแบบไปยุ่งทาไม เกิดประโยชน์อะไรเรื่องของชาวบ้าน้็เราไปยุ่งทําไมเรามาทําเรื่องของเราดีกว่าทําใจของเราให้สงบดีกว่าถ้าเป็นผู้ที่ได้ความสงบจริงๆแล้วก็จะเบื่อแบบตัดเนี่ยคือเบื่อแล้วก็ไม่ไปยุ่งไม่ใช่เบื่อแล้วยังอยากจะกลับไปยุ่งอย่างนี้สแสดงว่าอาจจะยังไม่สงบจริงหรือสงบแต่ไม่มีปัญญาเมื่อเรามันมันเห็นว่าความสงบมันดีแล้ว เรื่องปัญหาต่างๆเป็นเรื่องหน้าเบื่อแล้วเราทำไมกลับไปทำไมเรื่องอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังมีหน้าที่ต้องไปแก้ปัญหาเหล่านั้นอยู่ก็แก้ด้วยเหตุด้วยผลไปก็แล้วกันแก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้อะไรจะเกิดก็เกิดในที่สุดก็ต้องตายกันหมดให้คิดอย่างนี้ก็แล้วกันแล้วปัญหามันก็จะหมดไปเองพอคนตายไปแล้วปัญหาสาหรับคนนั้นก็หมดไปเองแล้วทุกคนในที่สุดก็ต้องตาย งั้เมื่อเราแก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวถึงเวลาธรรมชาติมันจะแก้ให้เราเองตายเหมือนกันตายทุกคนลูกจะเร็วขนาดไหนแก้ไม่ได้เดี๋ยวมันก็ตายลูกจะดีขนาดไหนจะให้มันไม่ตายก็ไม่ได้เดี๋ยวก็ตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นความจริงเราไม่ต้องไปแก้รปัญหาต่างๆแก้ปัญหาของเราตัวเดียวพอคือความไม่สงบของเรานี้ ถ้าใจเราสงบแล้วเราเราจะปล่อยวางปัญหาต่างๆได้หมดพอเราจะถือว่าไม่ใช่เรื่องของเราแก้ไปก็เท่านั้นแก้ไปเดี๋ยวก็จบคำถามจากคุณนูชิโกะนะครับพอดีอยากฝึกนั่งสมาธิแต่ไม่มีพื้นฐานเลยพอจะมีหัวข้อไหนของพระอาจารย์ที่พอจะแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้นบ้างไหมคะก็ให้มีสติเป็นอันดับแรก ตอนนี้ก็มีหนังสือสติธรรมที่ดาวน์โหลดได้ลองเข้าไปที่ในในเว็บไซต์พระสุชาติ .com เนี่ยจะมีที่ดาวน์โหลดหนังสือสติธรรมไปอ่านก็ได้นะการปฏิบัตินั่งสมาธิก็ไม่มีอะไรขอให้มีสตนะิสติก็คือการบริกรรมพุทโธพุทโธเนี่ยเวลานั่งก็อย่าคิดอะไรให้คิดแต่คําว่าพุทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียว ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แล้วอย่าให้ไปคิดเรื่องต่างๆนานาใจก็จะสงบจะนิ่งได้หรือถ้าเราไม่ไม่ถนัดกับคำบาิการรมพุทโธเราจะใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็ได้นั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับเรื่องอะไรทั้งหมดให้รู้ว่าหายใจเข้ารู้ว่าหายใจออกเท่านั้นเองแล้วก็อย่าไปคิดเรื่องราวต่างๆ คำถามจากคุณบอยนะครับเวลาใจมันยึดแล้วเกิดทุกข์มากจะมีอุบายทาอะไรไปแก้ไขตัวนี้ดีครับขันต้นก็ใช้สติเนี่ยหยุดความคิดก่อนพอหยุดความคิดถึงเรื่องที่เรายึดมันก็มันก็จะมันก็จะหยุดยึดเองแต่มันจะหยุดชั่วคราวแต่จะใช้ปัญญานี่มันยากกว่าถ้าจะใช้ปัญญาก็ต้องมองว่าทุกอย่างไม่เที่ยงในที่สุดก็ต้องมีวันสิ้นสุดลง ไปยึดมันอย่างไงก็ยึดไม่ได้อยู่ดียึด ย, ยึดยึดวันนี้ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ยึดไม่ได้อยู่ดีเดี๋ยวเราก็ต้องตายจากเขาไปหรือไม่เช่นนั้นเขาก็ต้องตายจากเราไปถ้าถ้าอยากจะแก้ปัญหาแบบถาวรก็ต้องใช้ปัญญาให้มองให้เห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างไม่ใช่เป็นของเราเราไม่สามารถที่จะไปคว บ, บคุมบังคับให้เป็นของเราให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้เสมอ ถ้าเราใช้ปัญญาได้เราก็จะหายทุกข์กับเรื่องราวต่างๆถ้ายังใช้ไม่ได้ก็ใช้ปัญญาไม่เป็นก็ใช้สติไปก่อนนั่งบริกรรมพุทโธพุทโธไปไม่ต้องนั่งก็ได้อยู่ในท่าไหนก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องที่เรายึดติดอยู่แล้วพอเราไม่คิดถึงมันเราก็จะไม่ยึดไม่ติดเราก็จะปล่อยวางในชั่วคราวแต่พอเราเผลอกลับไปคิดเมื่อไหร่มันก็จะยึดขึ้นมาใหม่ทันที ถ้าจะไม่ให้มันยึดอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาบอกว่าของที่เรายึดติดนี้สักวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากมันไปแล้วเราก็ห้ามไม่ได้เราจะไม่สามารถที่จะบังคับให้มันอยู่กับเราไปได้ตลอดมีความเห็นของท่านหนึ่งนะครับเขียนมาว่าบุคคลซึ่งเคยละจากกิเลสแล้วแต่ทำไมกลับวิ่งหากิเลสวิ่งหาตัณหา กิเลสตัณหา ม, มันน่ากลัวจริงๆอันนี้เพราะเพราะไม่ได้ละด้วยปัญญาไงละด้วยสติเวลานั่งสมาธิกิเลสตัณหามันก็ดับไปแต่พอออกจากสมาธิมาถ้าไม่มีสติควบคุมใจเดี๋ยวไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือเห็นสิ่งนู้นสิ่งนี้ก็เกิดความอยากขึ้นมาได้ถือว่าเขาไม่ได้ละได้จริงก็ อ, งอยังะละละ้ละแบบชั่วคราวละด้วยสติ คำถามจะคุณเล็กเชียงใหม่นะครับถ้าหากว่าเราปฏิบัติธรรมมาสนใจปฏิบัติธรรมมาหลายปีแล้วแต่มีสีลข้อหนึ่งที่ยังไม่ครบต้องทําอย่างไรคะมันเหมือนกับสีลข้อนี้ไม่ครบสักทีมันเหมือนเป็นการมาลองใจเล่นมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เราไม่ครบข้อนี้สักทีการที่เราไปทาผิดศีลก็แสดงว่าเราไม่สามารถควบคุมใจเราให้ ไม่ให้มันสงบได้ถ้าเราไม่ไปทําผิดศีลได้เราก็จะสาม า, ารถควบคุมใจไม่ให้ไปทาถ้าเราสามารถควบคุมใจไม่ให้ทําผิดศีลได้เราก็จะสามารถทำใจให้สงบได้แต่ถ้าเรายังไม่สามารถควบคุมใจไม่ให้ไปทําผิดศีลเราจะเราจะไปควบคุมให้มันสงบได้อย่างไรข <len> ้อหน้าเลยก็ดี